ต้องใจให้มันดีนี่แหละงานอันไหนมันยิ่งไปกลัวงานฝึกขวนจิตใจนี่ไม่มีอว่าใจนี้มันถูกกิเลสครอบงําอยู่จะพากันนิน่งนอนใจกิเลสนี่เมื่อเผลอสติเมื่อใดมันก็ครอบงําจิตเมื่อนั้น ทำให้จิตเศร้ามองคุณมัวทําให้จิตเกิดอกุศลวิตกต่างๆนานาขึ้นมาไม่ใช่ว่ามันเศร้ามองคุณมัวเฉยๆมันยังคิดบาปถึงบาปถึงกรรมความชั่วร้ายต่างๆความโลภความโกรธความหลงมนี่มันเกิดขึ้นเพราะจิตเศร้ามองนี่แหละเป็นเหตุ ดังนั้นนะ่ะพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ฝึกข้นจิตอันนี้เราจะไปสอนอย่างอื่นไปฝึกอย่างอื่นมันก็ได้ดีโยดกแต่ว่ามันไม่ดีเท่าการฝึกฝนจิตนี้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในโลกสนิวาตอันนี้ถ้าไม่มีจิต ดวงนี้แล้วไม่มีความหมายอะไรเลยมันก็เป็นแต่สภาวะธาตุอยู่อย่างนั้นเฉยๆนี่แหละดินน้ำไฟลมต้นไม้ใบหญ้าอะไรต่ออะไรมันก็เกิดก็ดับอยู่ตามเรื่องของมันแต่ไม่มีผู้รับรู้เลยก็เหตุที่มนุษย์สัตว์ทั้งหลาย จะได้สร้างบ้านสร้างเรือนสร้างอะไรต่ออะไรขึ้นจนเป็นที่อยู่อาศัยได้ดีมูนี่มันก็เพราะมีจิตดวงนี้แหละที่มาอาศัยอยู่ในร่างกายอันนี้เมื่อจิตตรงนี้ได้มาอาศัยร่างกายอันเป็นมนุษย์นี่แล้วมันจึง เกิดสติปัญญาขึ้นถ้าไปอาศัยร่างอื่นอย่างร่างสาัตว์ดิเรกชานอย่างนี้นะมันไม่มีสติปัญญาอะไรมันเป็นทรัพยากรของมนุษย์อย่างหนึ่งสัตว์ดิเรกชานนี่นะถ้ามนุษย์จะฆ่าให้มันตายหมดมันก็ตายเพราะมันไม่มีอำนาจอะไรเหมือนอย่างมนุษย์ อนมนุษย์เรานี่ที่มีอำนาจก็เพราะอาศัยบุญกุศลที่ได้ทำมาแต่ก่อนพอเว้นจากกรรมอันชั่วท่านเรียกว่าบุญญาณุภาพไอ้บุญกุศลนี่เมื่อบำเพ็ญงมากเข้าไปมันก็เกี่ยวกับความปาถนาถ้าบุคคลสร้างบุญกุศลมาแต่ก่อน ปัทนาขอให้มีฤทธิ์มีเดชขอให้มีปริชาญาณอย่างรู้เรื่องอดีตอนาคตขอให้รลึกชาตินนหลังได้มุนี่นะมันเมื่อตั้งปราถนาลงแล้วก็ํำเพ็ญบุญกุศลไปโดยความไม่ประมาทเมื่อบุญกุศลมันเข้าขั้นที่จะให้บรรลุ คุณพิเศษตามความมุ่งหมายของจิตใจอย่างนั้นแล้วมันก็บรรลุได้มันก็เป็นไปได้แต่บางท่านบางคนก็ไม่ได้ปรารถนามาปรารถนาขอแต่ให้กิเลสหมดไปสิ้นไปจา ก, กจิตใจเท่านี้จะสั่งสมบุญกุศลไปผู้ที่ปรารถนา ให้กิเลสหมดไปสิ้นไปเท่านี้ก็ไม่ได้สร้างบุญบา ร, รมีไปนานสร้างบุญบา ร, รมีไปพอสมควรก็เต็มได้เพราะว่าเมื่อมุ่งหวังคุณพิเศษอย่างอื่นผู้ที่มั่งมุ่งหวังคุณพิเศษดังกล่าวมานั้นต้องฝึกัด เพ่งกสินชาญให้เกิดขึ้นบำเพ็ญไปจนในบนรรุรูปชานสี่อรมูปชานสี่ทันเร ว, วัตสมาบัตแปดเมื่อได้บรรลุฌานสมาบัตแปดนั่นแล้วจึงจเจริญบิปัาสนาต่อไปหากว่าได้บรรลุมกผลธรรมวิเศษก็จะ มีฤทธิ์มีเดชมีคุณพิเศษต่างกล่าวมานั่นนะเกิดขึ้นได้แก่ผู้นั่นนี่การบาเพ็ญบุญกุศลในพุทธศาสนานี่มันสูงขึ้นไปโดยลำดับไม่ใช่อยู่ของเก่าสูงขึ้นไปจนถึงกับว่าได้ทำอาสวะกิเลส้นยใหญ่ทั้งหลาย ให้หมดไปสิ้นไปนี่แหละขอให้เข้าใจดังนั้นการบำเพ็ญบุญกุศลเนี่ยจึงไม่ควรที่จะหยุดยัางเท่านี้พอแล้วอย่างนี้ไม่ควรคนเด็กเข้าใจว่าเวลานี้ตนก็ยังละ ก, กิเลสไม่หมดก็เพราะว่าบุญตัวมันน้อย เราจะต้องบำเพ็ญบุญกุศลให้มากขึ้นไปเรื่อยๆ ừ, อย่างนี้นะต้องอธิษฐานในใจอย่างนี้เส้นให้ทานอย่างนี้เอา้าให้วัตถุสิ่งของเป็นทานแล้วก็ยังไม่พอต้องให้อภัยทานเข้าไปอีกเอา้าใครมาชวนทะเลาะวิวาดให้ล่วงเกินอย่างไรอย่างหนึ่งตนไม่เอาเรื่อง ให้อภัยไปเสียใครมายั่วให้โกรธก็ไม่ยอมเล่นด้วยก็ให้อภัยเขาไปนี่ท่านเรียกว่าอาภัยทานหมายความว่าเขาล่วงเกินเราสมควรที่เราจะเอาเรื่องเขาหากไม่ทะเลาะวิวา ก, กเอาเรื่องฟ้องร้องขึ้นลงขึ้นศาล ให้ศาลตัดสินลงโทษเขาได้อย่างนี้นะเราไม่เอาไม่จองกรรมจองเวรกันเอาแล้วเขาล่วงเกินเราบ้างเราก็ให้อภัยไปเลยนี่เรียกว่าอภัยทานเป็นทานที่อย่างสูงผู้ใดมีทานอย่างนี้อยู่ในใจแล้วก็ไม่คอยจะมีคำรร ม, มีเวร ตามสนองอนั่นเราคิดดูว่ะเพราะนั้นเป็นนักบวชก็ต้องบำเพ็ญอภัยทานนี่แหละมากกว่าวัตถุทานพอเป็นนักบวชไม่มีวัตถุเข้าของเงินทองอะไรจะมาให้ทานแล้วก็หัดฝึกคัดจิตใจให้รู้จักให้อภัยต่อบุคคลอื่นและตัด์อื่น ไม่ถือโกรธถือเกลียดซึ่งกันและกันอย่างนี้อันนี้แหละการฝึกขนจิตใจใจนะ่ยมันยึดมั่นถือมั่นอยู่ในความโลภความโกรธความหลงเหล่านี้แต่ถ้าเราไม่ฝึกแล้วกิเลสเหล่านี้มันจะไม่เบาบางไปจา ก, กจิตใจเลยให้พากันคิดให้มันเห็น เมื่อเราฝึกไปอยู่เนี่ยไม่ท้อไม่ถอยสติสมัมปชัญญะอันนี้มันก็แกกล้าขึ้นมันสามารถควบคุมจิตนี่ได้จิตนี่ถ้าขาดสติสมัมปชัญญะแล้วไม่มีความหมายอะไรเลยไอคนที่เป็นใบเป็นบ้าอยู่นั่นนะล้วนแต่มันไม่ สติความระลึกถึงตัวไม่มีระลึกถึงกายถึงจิตนี่นะสมบัตชัญะญความรู้กายรู้จิตอันนี้ก็ไม่มีมีแต่มันสติมันระลึกออกไปข้างนอกนูนะ่นอ่ะโดยส่วนเดียวลืมตัววะนี่ตัวทำอะไรพูดอะไรไม่รู้เลยนี่แหละคนบ้านะให้คิดดูถึงเป็นอย่างนั้นมันในคนที่ไม่บ้าถึงขนาดนั้นแต่เรา ปล่อยจิตให้ไหลไปตามกระแสของกิเลสอย่างนี้สติมันก็เลื่อนไหลไปตามกระแสของกิเลสแล้วก็เป็นเหตุให้ได้ทำชั่วเป็นเหตุหได้ได้ฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาท ด, ดื่มสุราเมรัยกัญชายาพินเฮโรอินการที่มันทำชั่วอย่างนี้ก็เพราะมันระลึกถึงตัวไม่ได้ มันไม่ได้มามินิชัยว่าการกระทาเช่นนั้นน่ะมันเป็นบาปเป็นกรรมเ็เวรจริงหรือที่พระศาสดาทรงตรัสไว้ไม่ได้น้อมไม่ได้ทวนกระแสจิตเข้ามาคิดมาพิจารณาให้เห็นแจ้งโดยปัญญาขุงนตนเองดังนั้นมันจึงงดเว้นไม่ได้มันจึงได้ทาปานาติบาตเป็นต้นดังกล่าวมานั่นแหละ นี่สตินะ่ะสำคัญนะขอให้เข้าใจเมื่อระลึกได้อย่างนี้ว่าโอ้การที่เราไปฆ่าเขาไปเบียดเบียนเขาเขาก็เป็นทุกข์เดือดร้อนถ้าหากว่าคนอื่นเขามาตีเรามาฆ่าเราเราจะเป็นทุกข์เดือดร้อนไหมอย่างนี้นะก็ต้องเดือดร้อนแน่ใครๆครก็รักชีวิตก็ไม่ปรารถนาที่จะให้ใครมาทำลาย อยากค่ให้มันตายไปเองอเมื่อ น, นึกได้เทียบเขาเทียบเราอย่างนี้แล้วก็มันก็เกิดเมตตากรุณาขึ้นมันก็ไม่ต้องการเบียดเบียนมันก็งดได้นี่เรีย ว, ว่าเป็นผู้มานึกถึงตัวได้มีสติสมบัตเช่ญนีแม่สินข้ออื่นๆก็เหมือนกันนะ มันเป็นเรื่องเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นทั้งนั้นแหละการที่บุคคลล่วงละเมิดในศีลห้าประการนี้นะอย่างนั้นจะว่าจะว่าเป็นบ้าอีกประเภทหนึ่งก็ได้อันนี้นะเรียกว่าบ้ากิเลตันหาปล่อยให้กิเลตันหามันจูงไปในทําบาปทําชั่วคนเรานะ่ะ มันมีบ้าอยู่หลายประเภทเหมือนกันนะไม่ใช่เป็นบ้าตั้งแต่คนบ้าที่เสียจริตแล้วทำอะไรก็ไม่ได้พึ่งตัวเองก็ไม่ได้อาศัยเที่ยวแต่กินเสร็จกินเดนของเขาไปอย่งนั้นเนือไม่ใช่บ้าเพียงดุร้ายดุร้ายแล้วไล่ทุบไล่ตีผู้อื่น โดยที่ผู้อื่นไม่ได้ทำอะไรให้เลยอย่างนี้ก็มีอันนันนี่ว่ามันเกิดจากกรรมวิบากที่เขาทำมาแต่ก่อนโทษของการดื่มเหล้าเมาทุรากัญชายาฟินเฮโรอินหมู่นี้แหละมันโดนบันดาลมาให้ผลเกิดเป็นวบเป็นว่าเสียจริตผิดมนุษย์ธรรมดาไป แต่เพียงว่าบาประเภทสองอันนี้นี่มันเกิดจากความโลภโกรธโงงในหัวใจของแต่ละคนนี่แหละมาโดนบันดาลให้ลืมตัวไปนึกถึงการกระทำของตัวเองไม่ได้เลยว่ามันเป็นบาปเป็นกรรมมันจะอํานวยผลให้เป็นทุกข์ทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าอย่างไรอย่างนี้นะมันก็นึกไม่ได้ มันจึงได้ทำลงไปถ้ามันทวนกระแสจิตเข้ามาในปัจจุบันแล้วพิจารณาเห็นเหตุเห็นผลเห็นความชั่วดังกล่าวมานั้นมันก็เว้นได้เลยมันก็เรียกว่าหายจากบ้าเรื่องเรื่องกิเลสเหล่านั้นแหละก็ไม่ทำบาปกรรมเวใส่ตัวเองต่อไปนี่มันเป็นอย่างนี้ ไอลักษณะอาการของจิตใจนี่ถ้าไม่ฝึกฝนอรบรมแล้วมันก็ตกเป็นธาตุของกิเลสตัณหาดังกล่าวมานั่นเองดังนั้นทุกคนได้พากันมีสติสมปชัญญาทวนกระแสจิตเข้ามาในปัจจุบันเอามาพิสูจน์มาพิจารณาตัวเองเนี่ยที่ท่านสอนให้ภาวนาน ก็คือทวนกระแสจิตไม่คิดส่งไปข้างนอกอา่าทวนความคิดคนนึกเข้ามาอยู่ภายในให้จิตมันสงบอยู่ภายในตั้งมั่นอยู่ภายในแล้วมันก็วินิจฉัยตัวเองได้แหละคนเรานะตนจิตใจนั่นมันยังมีกิเลสหรือบาปธรรมอะไรแขงอยู่นะมันก็รู้อย่างนี้นะ โอมันมีความโลภอยากได้อันนั้นอันนี้อยู่ในใจมีอยู่รู้มันมันไม่โลภอย่างนั้นก็รู้มันมีความโกรธแฝงอยู่มันโกรธให้ค น, น, นคนนั้นคนนี้ไม่พอใจคนนั้นคนนี้ก็รู้ถ้ามันไม่มีมันไม่โกรธใครไม่พยาบาทใครก็รู้ อย่างนี้แหละถ้าจิตตั้งมั่นอยู่ภายใ น, นแล้วนะไอ้จิตหลงบ่านี้เมื่อตอนหลงอยู่อย่างไรก็รู้ตนยังไม่รู้แจ้งในอริยสัจธรรมของจริงอย่างไรก็รู้ตนรู้แจ้งในอริยสัจธรรมได้ขนาดไหนก็รู้นี่แหละเช่นอย่างว่า ตนเห็นทุกข์เห็นภายในสงสารไหมอย่างนี้นะเห็นว่าความเกิดแก่เจ็บตายนี่เป็นทุกข์เกิดบ่อยๆก็เป็นทุกข์บ่อยๆ อ, อย่างนี้นะเห็นหรือไม่อืแต่ถ้าบุคคลมีกิเลสหนาแล้วไม่เห็นนะไม่เห็นดอกเห็นแต่ว่าถ้าได้เพิดเพลินได้นื่นเลิงไปใน รูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสแล้วรู้มันมีความสุขสบายดีมันเห็นไปอย่างนั้นไอ้กิริยาอาการของกิเลสนะมันเป็นเช่นนั้นถ้าผู้ที่ทําใจสงบลงไปได้แล้วแน่นอนนะมันเห็นทุกข์จริงๆอ่ะเพราะว่ามันมาสัมผัสไอ้ความทุกข์ความแปลปวนทั้งหลายมันสัมผัสกับจิตนี่ทั้งนั้นแหละ เช่นอย่างว่าโรคภัยแค่เจ็บเบียดเบียนร่างกายอย่างนี้นะกายไม่ปกติปวนปั่นไหวมันกระทบกับจิตจิตก็รู้สึกว่าเป็นทุกข์เจ็บปวดร้อนหนาวอะไรต่างๆหมดนี้นะมันก็รู้สึกขึ้นมาอย่างนี้แหละบุคคลผู้ไม่รู้แจ้งในทุกข์ตามเป็นจริงแล้ว ก็เป็นทุกข์ทั้งกายทั้งใจถ้าผู้รู้เท่าหันหน้านี่ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนาราัไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขาอะไรมันเป็นแด่เพียงสภาวธัตมสี่ดินนะ้ำไฟลมซึ่งบุญกรรมบาปกรรมที่ตนทามาแต่ก่อนนู่นแหละ มันนำจิตมาปฏิสนธิในท้องของมารดาในธาตุของมารดาบิดาแล้วบุญกุศลนก็มาตกแต่งธาตุอันนั้นให้เกิดมีอวัยวะน้อยใหญ่เช่นมีผมขนเล็บฟันนังมีมือมีเท้าอาวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆในอาศัยบุญกรรมที่ทรมาตะก่อนมาตกแต่งให้ เมื่อบุญกรรมนั้นมันไม่เที่ยงร่างกายนี้มันจะเที่ยงมาที่ไหนบุญกรร ม, มเมื่อมาตกแต่ ง, งแล้วมันก็ติดตามรักษาไปเมื่อมรักษาไปมันก็หมดไปมันก็เสื่อมไปเลยถ้าหากว่าบุญนี้มันไม่หมดไม่เสื่อมร่างกายนี้มันก็ไม่วิบัติแปรปรวนมันก็ตั้งมั่นอยู่อย่างนั้นให้เข้าใจทางเหตุปัจจัย ที่ตกแต่งร่างกายอันนี้อย่างนี้เมื่อผู้ใดมาพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วมันก็จะเกิดนิพพทาความเบื่อหนายขึ้นมาเบื่อนายทุกไม่ใช่อย่างอื่นได้เพราะว่าจิตมาใสอยู่ในร่างกายเนี่ยมันทนได้ยากลำบากจริงๆผู้ที่มีจิตใจตั้งมั่นลงไปแล้วมันเห็นนี่มันรู้เรื่องมันน่ะผู้ที่ ไม่ได้ภาวนาไม่ได้ฝึกฝนจิตใจให้ถึงความสงบระงับอย่างว่านี้แล้วมันไม่รู้เป็นทุกข์ก็สวยทุกข์ไปอยู่นั่นแหละเป็นสุ ข, ขก็สวยสุ ข, ขไปตามแต่ธรรมชาติมันจะปรากฏขึ้นมาอย่างไรอ่ามันเป็นทุกข์ดิ้นรนไปตามทุกข์อย่างนั้นแหละ อันมันจะมีความคิดความวิจาร์ในใจให้เกิดนิพิธาความเบื่อหน่ายในทุก์ทั้งหลายดังกล่าวมานั้นมันก็ไม่คิดเพราะไม่มีอิสระอะไรไม่ได้ฝึกใจให้ตั้งมั่นต่อบุญกคุณไว้เมื่อทุกข์เข้ามาครอบงำอย่างนี้ก็เลยมดอิสระภาพตั้งจิตตั้งใจไม่ได้เลยก็ไหลไปตามทุกขเวทนานั่นเองวันนี้ หน่มนเป็นอย่างนี้นะจิตใจคนเรานะที่ว่าเห็นทุกนันเราพิจารณาเห็นอย่างนี้แหละอ๋อโอ้มันเป็นทุกข์จริงๆไงทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงร่างกายนี่ไม่เที่ยงมันกระทบกระทั่งกับจิตนี้จิตจึงรู้สึกเป็นทุกข์นี่นะแม้ว่าจะไปเกิดอาศัยรูปกาย อื่นต่อไปอีกมันก็เป็นอย่างนี้แหละอืมถ้าเกิดมารูปอาศัยรูปกายหยาบๆอันนี้นะอย่างงั้นถ้าไปได้เกิดอาศัยรูปกายอย่างละเอียดเช่นกายของเทวดาอินพรหมอย่างนี้นี่มันก็มีทุกน้อยลงมีสุขมากอย่างนี้อันที่เทวดาเป็นทุกข์นั่นน่ะ พะเมื่อเสวยผลบุญกรรมที่ตนสร้างไปแต่เป็นมนุษย์แล้วนานไปนานไปบุญกุศลนั้นมันก็ล่อยหลอลงเช่นเดียวกับมนุษย์นี่แหละแต่ว่ามันทั้งนานกว่ามนุษย์หลายร้อยเท่าอันบุญกุศลที่มันอานวยผลให้เกิดให้เป็นสุขสบายอยู่ในสวรรค์นั่นนะ่ะมันทักงได้สวยสุขอยู่นาน เมื่อน า, นานไปแล้ววันนี้บุญกุศลนั้นก็หมดลงหมดท้องไอวิมานเป็นที่อยู่ที่อาศัยก็เศร้าหมองไปเครื่องประดับดอกไม้ทิพอะไรประดับประดาอยู่ในประสาทนั้นก็เศร้าหมองลงผิวพรรณวันณะของตัวเองก็สูบซีดลงไปนั่นเป็นเครื่องส่อแสดงบอก ถึงว่าบุญกุศลที่มันมาอุปถัมภามลุงชีวิตอยู่นี่มันใกล้จะหมดอยู่แล้วเทวดาก็เสียใจอะไรความสุขที่ตนได้รับมาแล้วตนก็จะได้พัดพากจากสถานที่มีความสุขความสำราญอย่างนี้ไปนั่นเทวดาเป็นทุกข์ทุกเมื่อเวลาทังแขนร่างกายมันจะแตกจะดับไป เมื่อเวลาร่างกายยังดียงดอยู่นี่ไม่ค่อยมีทุกข์เท่าไหร่หรอกอเพราะว่ามันร่างกายของเทวดาบุญกุศลตกแต่งให้แล้วมันไม่มีบาปไปแทรกแซงเพราะฉะนั้นถึงไม่ค่อยมีโรคภัยเบียดเบียนอันมนุษย์เรานี่นะตั้งแต่ชาติก่อนมาก็ทำทั้งบุญทั้งบาปมาดังนั้นเมื่อเกิดมาในชาตินี้ ขณะใดาที่บุญอํานวยผลรักษาไปขณะนั้นก็รู้สึกว่ามีความสุขสบายร่างกายก็เป็นปกติไม่วิบัติส่วนไหนอันเธอเมื่อบาปที่ทํามาแต่ก่อนนะั้นมันตามมาให้ผลแล้วก็เอาแหละทําให้ร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งวิบัติลงไปเมื่อก็เหมือนเครื่องจักรเครื่องยนต์นี่แหละ เมื่อเครื่องใดเครื่องหนึ่งวิบัติลงไปแล้วมันก็ทำให้เครื่องอื่นๆนั้นวิบัตรไปทำกันขัดข้องไปทำกันนี่ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละร่างกายที่เป็นที่อยู่ของดวงจิตนี้เมื่อบาปมันมาให้ผลที่นี้ก็เอาแล้ววิบัติแปรปรวนไปจิตที่อาศัยอยู่ในร่างกายนี้ก็เป็นทุกข์เดือดร้อนนะ นี่แหละร่างกายของมนุษย์นี่นะผู้มีปัญญาทางหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นนะพระองค์จึงได้ทรงฝึกขนจิตใจน้ให้สงบะ ง, งับตั้งลงไปเมื่อใจตั้งมั่นได้ดีแล้วก็จึงเกิดปัญญาพิจารณาเห็นความทุกข์ของร่างกายต่างๆโมนีจึงได้เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่าย คลายตัณหาอันเป็นเหตุได้เกิดทุกข์นั้นออกไปนี่มันเป็นอย่างงี้เรื่องมานะตัณหาอะไรเป็นตัวเหตุให้มาเกิดเป็นอาศัยรูปอาศัยนามอันนี้อยู่นี้นะอย่าไปเข้าใจว่าเป็นมาเกิดมาด้วยอย่างอื่นตัณหานั้นเมื่อมันเกิดความทยานอยากอยู่มันละความอยากในหัวใจไม่ได้ มันก็ใช้กายทำใช้กายพูดสเสวงหาสิ่งที่ตนอยากอย่างเช่นในคนเกิดมาในปัจจุบันนี่แหละเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมากอดรักสวยรักงามอ้าวเสวงห า, ารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันที่น่าพอใจยินดีต่างๆเข้าไปเมื่อได้มาแล้วก็มาชื่นชมยินดีจิตใจก็แช่อยู่ในอารมณ์นั่นแหละ แล้วก็เป็นเหตุให้ทำกรรมดีบ้างทำกรรมชั่วบ้างถ้าผู้ใดรู้ตัวว่าตนบริโภคก ร, รมคุณแล้วพยายามละเว้นจากกรรมชั่วทำแต่กรรมอันดีแสวงหาเรื่องชีพแต่ในทางที่ชอบอย่างนี้ก็ยังชั่วน้อยพอจะได้เป็นบุญเป็นกุศลจะไม่มีกรรมชั่วติดตัวไป แต่บุคคลผู้มีความประมาทแล้วปล่อยให้ความโลภโกรธหลงครอบงาจิตใจแล้วบบบ น, นี้มันก็ใช้กายทําบาปบ้างทําบุญบ้างสลับกันไปแต่วบบ น, นี้มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อท่องเที่ยวไปในสงสารมันถึงได้ประสบทั้งความสุขทั้งความทุกข์แต่ที่จริงแล้วมันก็ประสบความทุกข์นั่นแหละมากกว่าความสุข ดังเราจะเห็นได้เวลาจวนจะตายความสุกขหายไปหมดเลยมีแต่ความทุกข์อยู่ในกายในจิตนี้นี่ลองคิดดูให้ดีชาตุความเกิดเป็นทุกข์ที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้นะความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์เมื่อเวลาจะตายก็เสียดายอะไรถินฐานบ้านช่องที่เคยอยู่อะไรลูกหลานญาติพี่น้อง ที่เคยร่วมสุขร่วมทุกข์กันมาอย่างนี้นะจิตใจที่ไม่ได้ฝึกขนแล้วมันก็อะไรใจคล่องอยู่กับทิ้งหมู่นี้แหละดังนั้นเมื่อตายลงแล้วก็จิตวิญญาณไปไหนไม่ได้แล้วก็เวียนอยู่นี่เอาไปเอามาก็ไปเข้าท้องลูกท้องหลานเข้าไว้ก็ไปเกิดกับลูกกับหลานเา้าเกิดมาแล้วฆ่าที่ตนไม่มีบุญนี่ ตนไม่มีบุญนะก็ไม่มีเงินไม่มีทองพ่อแม่พี่น้องก็ทุกข์จนอย่างนี้นะไอ้ที่ผู้เป็นลูกนี่กับบุญน้อยพ่อแม่กับบุญน้อยก็ต่างคนต่างเขาเป็นทุกข์แล้วเดือดร้อนอยู่ในชีวิตนี้นะจนกลัวจะตายลงนี่ชีวิตจิตใจที่ไม่ได้ฝึกขนอบรม ไม่ได้ยกกิดตัวเองให้สูงขึ้นไปสู่บุญกุศลชั้นสูงดังกล่าวมานั่นก็ชีวิตมิได้ตกต่ำเลื่อยไปแหละขอให้คิดให้ดีมิได้ตกต่ำเลื่อยไปอย่าไปเข้าใจว่าจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์อยู่อย่างนี้เรื่อยไปนะถ้าบุคคลใดไม่ยกกิตใจของตนให้สูงอยู่ด้วยคุณอยู่ด้วยบุญกุศลดังกล่าวมานั้นน่ะ มีแต่ตายจากมนุษย์แลก็ไปเป็นสัตว์นรกบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างไปเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างนี่จิตตกต่าจิตหมุนไปทางอากุศลนี่เป็นอย่างนั้นถ้าจิตเห็นโทษแห่งบาปอากุศลดังกล่าวมานั้นเห็นคุณแห่งบุญแห่งกุศลความดีก็ขยันหมั่นเพียรประกอบการกุศลต่างๆไม่ย่อท้อ เมื่อรักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้แล้ววันนี้ก็ภาวนาก็ได้ชื่อว่าเป็นการบาเพ็ญบุญกุศลให้สูงขึ้นไปโดยลำดับถ้าผู้ใดเกียจคร้านรักษาศีลไว้พระภาวนาแล้วก็เป็นอันว่าชีวิตของผู้นั้นก็ตกเป็นทาสของกิเลสตัณหา กำรังแต่จะนำทุกขมาให้วนเวียนเกิดแก่เจ็บตายไปในสงสารทนทุกทรมานดังกล่าวมานั้น